ต่อไปจงพากันตั้งใจฟังโดยสัจจะเขารดเธอหัวข้อที่สองความเป็นสหายไม่มีในคนพาลพระพุทธภาษิตจรัญเจนาธิคชยัยยะเสยยังสัิสมัตตโนเอกจริยังทันหังกยิรานัตธิพาเลสหายตา ความว่าหากไม่ได้สหายผู้มีคุณเช่นกับตนหรือประเสริฐกว่าตนก็พึงทำการเที่ยวไปคนเดียวไว้ให้มั่นคือวงเล็บคือไม่พึงคบใครเพราะคุณเครื่องเป็นสหายไม่มีในคนทานอธิบายบุคคลเมื่อแสวงหากะรยาณมิตรต้องการกะรยาณมิตรก็พึงคบ หาสมาคมกับมิตรผู้มีคุณธรรมเช่นตนหรือสูงกว่าตนหากไม่ได้มิตรเช่นนั้นก็พึงยึดความเป็นผู้เดียวไว้ให้มัน่นคือนั่งคนเดียวเดินคนเดียวไปคนเดียวนอนคนเดียวท่านเรียกว่าเอกจริยธรรมทางนี้เพราะคุณเครื่องเป็นสหายไม่มีในคนผ่านแปลว่าถ้าไม่ได้คบคนดีก็อย่าคบคนผ่านเพราะ บุคคลเมื่อคบคนพาลย่อมเสื่อมลงเมื่อคบคนเสมอกันย่อมไม่เสื่อมจากคุณธรรมเมื่อคบคนประเสริฐกว่าย่อมเจริญด้วยคุณธรรมมีศีลเป็นต้นเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าคนพาลอันบัณฑิตไม่พึงคบไม่พึงเข้าไปนั่งใกล้เว้นไว้แต่เห็นดูเขาต้องการอนุเคราะห์เขาให้พ้นจากความเป็นพาล คุณเครื่องเป็นสหายนั้นท่านหมายเอาศีลกระถาวัตถุคือถ้อยคําที่ควรพูดสิบทว ด, ดงคคคุณสิบสามวิปัสนาคุณมรติผลสี่วิชาสามอภิญญาหกเป็นต้นคุณเหล่านี้ย่อมหาไม่ได้ในคนผานพระาศาสดาตรัสพระพุทธภาษิตนินี้เมื่อประทับอยูนะ่ณเชตวันารามเมืองสาวัตถี ทรงปราบสัตวิวิหาริกของพระมหากระสปะมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องเกิดขึ้นที่เมืองราชครืก่อนคือสัตวิวิหาริกของพระมหากระสปะสองรูปปรนิบัติพระเถระอยู่ณถ้ำนะปิปผิใกล้เมืองราชคฤืกนั่นเองในสองรูปนั้นรูปหนึ่งทํางานทุกอย่างเพื่อพระเถระด้วยความเคารพเรื่อมใสในพระอุปชา ส่วนอีกรูปหนึ่งไม่ได้ทําแต่แสดงให้เห็นหเหมือนว่าการงานทุกอย่างตนเป็นผู้ทำํำตัวอย่างเช่นเมื่อภิกษุรูปหนึ่งจัดแจงน้ําล้างหน้าและไม้ชําระฟันไว้ให้พระเถระเรียบร้อยแล้วตนก็รีบเข้าไปเรียนพระเถระเอาหน้าว่ากระผมได้จัดแจงน้ําล้างหน้าและไม้ชําระฟันไว้เรียบร้อยแล้วครับนิมนล้างหน้าเถิดดังนี้เป็นต้น ในเรื่องอื่นๆก็ทำนองเดียวกันต่อไปนี้จะสมมติชื่อภิกษุผู้ปฏิบัติ ด, ดีกว่าว่าภิกษุกอส่วนอีกรูปหนึ่งชอบเอาเปรียบเอาหน้าว่าภิกษุขอภิกษุกอ่อได้รู้พฤติการของภิกษุขอเช่นนั้นอยู่เสมอก็ไม่ค่อยพอใจอยากจะแกล้งให้บ้างวันหนึ่งเมื่อภิกษุขอฉันเพงเสร็จแล้วนอนหลับอยู่ ภิกษุกอ่อต้มน้ำสำหรับพระเถระอาบแล้วตักใส่หม้อใบหนึ่งไว้หลังซุ้มสำหรับอาบน้ำแล้วแป้งเหลือน้ำไว้หน่อยหนึ่งตั้งไว้บนเตาไฟให้พ่นไออยู่ภิกษุขอตื่นขึ้นในเวลาเย็นได้เวลาพระเถระอาบน้ำเห็นไอน้ำพุ่งออกจากหม้อต้มก็รู้ทันทีว่าภิกษุกอ่อต้มน้ำไว้เดือดแล้วอยากจะเอาหน้าจึงเข้าไปเรียนพระเถระว่าท่านขอรับ น้ำสําหรับอาบกระผมต้มไว้เดือดแล้วตั้งไว้ในซุมนิมนต์สงน้ําเถิดแล้วเข้าไปในสุมกับพระเทระเมื่อพระเทระถามหาน้ําจึงเอากระบวยช่วงลงไปในภาชนะน้ําที่เห็นไอพุ่งอยู่รู้ว่าไม่มีน้ําจึงโพตนาด่าว่าภิกษุกอว่าท่านจงดูเถิดภิกษุกอทําได้ยกเอาภาชนะเปล่าไม่มีน้ําตั้งไว้บนเตาแล้วหนีไปเสียกระผมเรียนท่านให้มาอาบ ก็ด้วยเข้าใจว่ามีน้ำอยู่ดังนี้แล้วได้ถือเอาหม้อ น, น้ำไปยังท่าน้ำฝ่ายภิกษุก็เห็นเช่นนั้นชอบใจรีบนำน้ำอุ่นจากหลังสมมาตั้งไว้ในสมให้พระเถระอาบพระเถระใครควรดูพฤติการของสิทธิ์ทั้งสองก็เข้าใจได้โดยตลอดในเวลาเย็นจึงให้โอวาดแก่ภิกษุกขอว่าเป็นบรรพชิตกระทำเช่นนั้นไม่สมควร อะไรที่ตนทําก็ควรว่าทําอะไรไม่ได้ทําก็ควรว่าไม่ได้ทําอย่าไปแย่งความดีของคนอื่นเพียงเพื่อเอาหน้าภิกษุขอแทนที่จะเชื่อฟังพระเถระแล้วกลับตัวเสียแต่กลับด่าว่าพระมหากระสปะว่าอาศัยเรื่องเล็กน้อยคือเรื่องน้ําอาบแล้วด่าว่าตนเธอโกรธพระเถระในวันรุ่งขึ้นจึงไม่ได้ไปบิณฑบาตกับพระเถระ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 เมื่ออุปถากถวายมาแล้วก็ฉันใะเองในระหว่างทางหาได้ถวายพระเถระไหมพระเถระได้ผ้านเนื้อละเอียดผืนหนึ่งในวันนั้นก็มอบให้แก่ภิกษุกรผู้ปฏิบัติชอบในตนในวันรุ่งขึ้นท่านไปสู่ตระกูลอุปถาพวกอุปถากถามถึงความไม่ผาสุก ข, ของท่านตามที่ภิกษุ ข, ขอว่าและได้ส่งอาหารชนิดนั้นไปถวายท่านได้ฉันแล้วหรือบัดนี้ท่านผาสุกดีแล้วหรือ พระเถระนิ่งเสียท่านรู้ว่าภิกษุขอทำเรื่องอีกแล้วเวลาเย็นท่านจึงถามภิกษุขอว่าเมื่อวานนี้ได้ทำอะไรในตะคุณอุปถาคบ้างเมือ่อภิกษุขอเล่าให้ฟังท่านจึงโอวาทว่าทำอย่างนั้นไม่สมควรบรรปะชิตไม่ควรขอด้วยอาการหลอกลวงภิกษุขอโกรธท่านมากผูกอาฆาตในพระเถระว่าในวันก่อนหาว่าเราพูดเท็จเรื่องอาบนา้า วันนี้ก็เอาอีกเราไปได้อาหารในสกุลอุปถาของท่านมาเพียงกรรมือหนึ่งก็ตำหนิว่าบรรปะชิตไม่ควรทำวินยัตคือการขอแล้วนำมาฉันผ้าที่ได้ก็ไม่แบ่งให้เราให้แก่ภิกษุก่อเพียงรูปเดียวกรรมของพระเถระหนักนักเราจะต้องทำบางสิ่งบางอย่างตอบเสียบ้างดังนั้นในวันรุ่งขึ้นเมื่อพระเถระก็ไปบิณฑบาตในเมือง ภิกษุขอจึงทุกเครื่องใช้ไม่สอยเสียสิ้นเป็นต้นว่าถ้วยชามใส่อาหารและหม้อต้มน้ำแล้วจุดไฟเผาบรรณศาราสิ่งใดที่ไฟไม่ไหม้ก็เอารองทุบทำลายสิ่งนั้นเสียแล้วก็หนีไปภิกษุขอนั้นตายแล้วไปเกิดในอเวจีมหานรกมหาชนทราบเรื่องแล้วติเตียนภิกษุขอว่าไม่อดทนแม้แต่คำตักเตือนของอุปชาอาจารย์เล็กๆน้อยๆ ต่อมาวันหนึ่งภิกษุรูปหนึ่งจากกรุงราชคฤึกไปเมืองสาวัตถีเข้าเฝ้าพระศาสดาพระพุทธองค์ตรัสถามถึงพระมหาคสปะว่าอยู่สบายหรืออย่างไรภิกษุนั้นกราบทูลว่าพระมหาคสปะอยู่สบายดีและทูลเล่าเรื่องที่สัตวิวิหาริกรูปหนึ่งของท่านโกรธที่ท่านตัดเตือนและจุดไฟเผาบนรณาลาเสียพระศาสดาตรัสว่าภิกษุนั้นแม้ในอดีตสมัยเกิดเป็นลิง ก็เคยประพฤติเช่นนี้แล้วเหมือนกันแม้เขากล่าวสอนด้วยดีก็โกรธแล้วตัดเล่าว่าในอดีตการนกขมิ้นตัวหนึ่งทำรังอยู่ในหิมวันตะประเทศวันหนึ่งฝนตกหนักลิงตัวหนึ่งสถานเพราะความหนาวเข้าไปใกล้รังนกขมิน้นนกเห็นลิงหนาวสัน่นจึงปราัยว่าศีรษะและมือเท้าของท่านก็เหมือนมนุษย์ทำไมท่านจึงไม่รู้จักทาเรือนอยู่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 ย่อมไม่มีความสุขท่านจงใช้ความพยายามอย่าคิดอยู่เพียงแต่ว่าตนไม่มีปัญญาจงพยายามทํากระท่อมทาหรับป้องกันหนาวและร้อนเผดหลิงคิดว่านกกะมิ่นตัวนี้หาว่าเราเป็นผู้มีจิตไม่มั่นคงมักปะทุสลายมิรเราจะแสดงข้อที่เขากล่าวหานั้นให้เป็นจริงดังนี้แล้วจึงจับรังนกกะมิ่นมาขยี้เสียนกกะมินหนีออกทางหนึ่งไปแล้ว พระศาสดานำอดีตนิทานมาเล่าแล้วทรงสรุปว่าลิงในการนั้นมาเป็นภิกษุผู้ทำลายบรรณศาลานกขมิ้นมาเป็นพระมหากัสสปะและว่าการอยู่ผู้เดียวของกัสสปะดีกว่าอยู่ร่วมกับสิทธิอันเป็นผานดังนี้แล้วตรัสพระพุทธพจน์ว่าจราญเจนาทิคัตเสยะเป็นอาทิดังมีระยะดังพรนนามาแล้วแต่ต้นนั่นแล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 พระอติกถาจารย์อธิบายไว้ดังนี้คนเขาย่อมเดือดร้อนเพราะความอยากเกี่ยวกับเรื่องบุตรและเกี่ยวกับเรื่องทรัพว่าบุตรของเรามีทรัพของเรามีย่อมลำบากย่อมถึงความทุกย่อมเดือดร้อนว่าบุตรของเราทรัพของเราปวนแปรพินาศไปแล้วย่อมเดือดร้อนว่าบุตรของเราทรัพของเราจับป่วนแปรจักพินาศคนเขาย่อมเดือดร้อนด้วยอาการหกอย่างดังกล่ามนี้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 เป็นภาระหนักและที่ตั้งเห็นความกังวลใจบางคนต้องเสียชีวิตเพราะการคุ้มครองรักษาทรัพย์ก็มีอยู่และมีอยู่ไม่น้อยบางพวกต้องเป็นโจรประกอบกรรมทำเข็ญเพราะความต้องการทรัพย์และเลี้ยงดูบุตรเมื่อบุตรเจ็บป่วยหรือล้มตายจากไปเมื่อทรัพย์ที่นาดไปด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งคนเขาก็เดือดร้อนอีกแม้บุตรยังไม่เจ็บป่วยยังไม่ปวนแปรยัยงไม่ตาย ซัพยังไม่ถึงความพินาศแต่คนเขาก็อาจคิดกังวลร่วงหน้าไปได้ว่าถ้าลูกเจ็บลูกตายซัพย์สมบัติพินาศจะทำอย่างไรรวมความว่าคนเขาย่อมเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องบุตรเรื่องซัพย์ทั้งปัจจุบันอดีตและอนาคตพระอธกถาาจารย์กล่าวต่อไปว่าคนเขาต้องทำงานหนักทั้งทางบกและทางน้าทั้งกลางคืนและกลางวันเพียงเพื่อเหตุสองอย่างคือ เลี้ยงบุตรและทําทรัพย์ให้เกิดขึ้นความเดือดร้อนของเขามาจากเหตุสองอย่างนี้เมื่อเขาเดือดร้อนอยู่อย่างนี้ไม่สามารถทําตนให้มีความสุขได้แม้ในชีวิตประจําวันตนของตนชื่อว่าย่อมไม่มีแก่ตนวงเล็บอัตตาหิหั ต, ตโนนัติเมื่อเขานอนบนเตียงในการจวนตายถูกเวทนาครอบนาแพดเผาอยู่เสมือนถูกเปลวเพลิง เมื่อร่างกายจวนแตกทําลายเขาหลับตาเห็นโลกหน้าหลืดตาเห็นโลกนี้ตนย่อมไม่มีแก่ตนเพราะไม่สามารถต้านทานความทุกได้ไม่สามารถเอาความทุกมาเป็นเพื่อนชื่นชมได้ความทุกคงเป็นศัตรูของมนุษย์อยู่บุตรภรรยาและทรัพย์ก็ช่วยอะไรไม่ได้ทุกก็คงเป็นทุกอยู่นั่นเองขยายความย้ําความตามแนวของพระอัตถกถาาจารย์ว่า ภาระหนักของผู้ครองเรือนก็คือการหาทรัพย์และการเลี้ยงดูบุตรกิตทั้งสองอย่างนี้ทำความเดือดร้อนให้แก่ผู้ครองเรือนมากคนมีความทุกข์ย่อมขาดความเชื่อมั่นในตนเองคนมีความกังวลใจย่อมขาดการคุ้มครองตนอย่างน้อยการคุ้มครองตนนั้นต้องลดน้อยลงไปหมดความเป็นตัวของตัวเองท่านจึงเรียกว่าตนของตนไม่มีแก่ตนนี่ตอนหนึ่งอีกตอนหนึ่งเมื่อจวนตาย ผูกทุกเวทนาครอบงำเมื่อกายทิพย์และกายเนื้อจะแยกจากกันบุคคลนั้นหลืดตาเห็นโลกนี้หลับตาเห็นโลกหน้าจะต้องตายแน่แน่บุตรภรรยาและทรัพย์ก็ช่วยอะไรไม่ได้ไม่สามารถกำจัดทุกออกได้และนำความสุขเข้ามาให้ท่านจึงกล่าวว่ากุโตปุตตากุโตทานังบุตรและทรัพย์มีที่ไหนมีเหมือนไม่มีเพราะช่วยอะไรไม่ได้ พระศาสดาตรัสพระพุทธพจนี้ที่เชตวนารามเมืองสาวถีทรงปรารภเศรษฐีชื่ออานันธะมีเรื่องย่อดังนี้ในกรุงสาวถีมีเศรษฐีคนหนึ่งชื่ออานันธะมีสมบัติประมาณ80โกดวงเล็บคือ800อล้านแต่เป็นคนตรหนี่มากเขาให้พวกญาติและบุตรประชุมกันทุกครึ่งเดือนแล้วให้โอวาทเกี่ยวกับ เรื่องทรัพย์สินคือสอนให้เป็นคนตระหนี่โดยเฉพาะปุ้ชายของเขานั้นเขาสอนวันละสามเวลาว่าอย่าคิดว่าเงินแปดร้อยล้านนี้มากไม่ควรให้ทรัพย์แก่ใครแต่ควรทำใหม่ให้เกิดขึ้นเป็นประจำวันทรัพย์เป็นอันมากย่อมสิ้นไปทีละน้อยพึงเห็นตัวอย่างความสิ้นทีละน้อยแห่งยาหยอดตาพึงเห็นตัวอย่างการพออพูนขึ้นแห่งจรปลวก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 ันตระกูลในหมู่บ้านจันทานใกล้นครนสาวัตถีมูลสิริได้ดำรงตำแหน่งเศรษฐีต่อมาตั้งแต่อานันทเศรษฐีถือปฏิสนธิในทองมารดาของเขามีแต่ความทุกข์ยากลาบากหากินก็ฝื่อยเฟืองค่าจ้างที่เคยได้มากก็ได้น้อยหรือไม่ได้เลยนอกจากนี้ยังนำความทุกข์ยากมาสู่ตระกูลจันทานทั้งปวงอีกด้วย เหมือนไฟเริ่มต้นจากจุดหนึ่งลามไม่ไปทั่วบริเวณที่มีเชื้อมารดาของเขาถูกไล่ออกจากพวกเพราะใครๆลงความเห็นว่าบุตรในท้องของนางเป็นกาลกันนีจำเดิมแต่นางมีท้องความลำบากฝืดเค่องก็เกิดขึ้นในหมู่จันพานเมื่อหญิงนั้นคลอดลูกนางเห็นบุตรแล้วอยากจะร้องให้สักห้าสิบปีเพราะบุตรของนางพิกลพิการสารพัดอย่าง มือท้าหูจมูกปากในตาพิการไปหมดเหมือนปีศาจคลุกฝุน่นน่าเกลียดเหลือเกินแต่นางก็ไม่ละทิ้งบุตรทางนี้เพราะความรักตามธรรมชาติอันบันดามีต่อบุตรความเย่อหยิมีกำลังแรงกล้านางเลี้ยงบุตรด้วยความฝืดเคืองวันใดที่พาบุตรไปทำงานด้วยวันนั้นจะไม่ได้อะไรเลยส่วนวันใดทิ้งบุตรไว้ที่บ้านวันนั้นจะได้อาหารพอเลี้ยงปากเล็้ท้อง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 คนใช้จึงช่วยกันโบยตีแล้วไล่ออกจากบ้านให้ไปอยู่ที่กองหยาบเยื่อพระศาสดามีพระอานน์เป็นปัตชาสมนัสเส ด, ดออกบินทบาทถึงกองหยาบเยื่อนั้นแล้วทอดพระเนตรดูพระอานน์อย่างมีนัยยะพระเทระจิมทูลถามพระศาสดาตัดเล่าเรื่องเกี่ยวกับอานัตเศษฐีให้ทราบพระอาหน์จึงเชิญมูลศิริเศธีมาขณะนั้นมหาชนประชุมกันเป็นอันมาก พระสุคตเจ้าตรัสถามมูลสิริว่ารู้จักเด็กคนนั้นหรือไม่เขาพูดว่าไม่รู้จักพระาศาสดาจึงตัดว่านั่นคืออนันทเสตถีบิดาของท่านมูลสิริเสษฐีไม่เชื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงให้เด็กนั้นบอกขุมทรัพย์ถึงห้าขุมที่เขาฝังไว้ทั้งหแห่งเขาบอกได้ถูกหมดจนมูลสิริเรษฐีเชื่อและได้ถึงพระาศาสดาเป็นสารณะ แต่วันนั้นมาพระพุทธองค์จึงตรัสสอนด้วยพระธรรมว่าปุตตามัติธนามัติเป็นอาธิมีนยะดังพันนามาแล้วแต่ต้นสี่คนโง่สำคัญว่าตนจะอาดพระพุทธภาสิทยพาโลมัญติพารยังปันดิโตวาปิเตนโสพาโลจปันดิตามานีสเสวพาโลติวุจติความว่า ผู้ใดโง่รู้ตนว่าเป็นคนโง่ผู้นั้นยังเป็นคนฉลาดได้บ้างเพราะความรู้นั้นส่วนผู้ใดโง่แต่สำคัญตนว่าฉลาดผู้นั้นเราเรียกว่าเป็นคนโง่มากอธิบายคนที่โง่ยังไม่ฉลาดรู้สึกตนตามเป็นจริงว่าตนยังโง่อยู่เมื่อพยายามเพื่อถ่ายถอนความโง่ของตนย่อมทำได้โดยการ คบหาสมาคมกับบัณฑิตหรือคนฉลาดยอมให้เขาแนะนําพร่ำสอนการเวลาล่วงไปล่วงไปย่อมกลายเป็นคนฉลาดได้หากเคยเป็นผานก็กลับเป็นบัณฑิตได้ส่วนคนที่จะต้องดักด่านนั้นคือคนที่ยังเป็นคนโง่อยู่แต่สําคัญตนว่าเป็นคนฉลาดมีทิฏฐิมาณนะจัตไม่ยอมรับว่าตนยังโง่อยู่ไม่ยอมรับความจริงแม้ตนเป็นผ่านก็เข้าใจว่าตนเป็นบัณฑิต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 พระาศาสดาตรัสพระพุทธภาษิตนี้ที่เชตวานารามเมืองสาบถีทรงประารพโจรสองคนมีเรื่องย่อดังนี้ในเมืองสาบถีโจรสองคนไปวัดเชตวันพร้อมกับมหาชนผู้ไปฟังธรรมโจรคนหนึ่งตั้งใจฟังธรรมแต่อีกคนหนึ่งใจจดจ่ออยู่ที่ของอันจะพอรักได้คนที่ตั้งใจฟังธรรมได้บรรลุโสดาปติผล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 แต่สำคัญตนว่าเป็นคนฉลาดแต่ไม่ได้พูดอะไรเมื่อไปวัดเจตวันพร้อมด้วยมู่ญาตเตือนกล่าบทึงเรื่องนี้ให้พระาศาสดาทรงทราบพระทศพลแสดงธรรมแก่เขาว่าผู้ใดงโง่รู้ตนว่าเป็นคนโง่เป็นอาทิมีะยะดังพรนนามาแล้วแต่ต้นหัวข้อที่5คนผ่านเหมือนทัพพีไม่รู้รสแกงพระพุทธภาสิทธ ยาวะชีวันปิเจพาโลปันดิตังปยิรุปาสติณโสธรรมวิชานาติทัพพีสูปรสัญญถาความว่าคนพาลอยู่ใกล้บัณฑิตแม้ตลอดชีวิตก็ไม่รู้ทำเหมือนทัพพีคลุกครีอยู่กับแกงแต่ไม่รู้รสแกงอธิบาย mm hmm. เหตุที่คนพาลอยู่ใกล้บัณฑิตก็ไม่สามารถรู้ทำอย่างบัณฑิตได้นั้น เพราะไม่ใส่ใจไม่เคยถามไม่สนใจฟังว่าอะไรควรเว้นอะไรควรทำํำนอกจากนี้อยากจะเห็นวิปริตไปว่าการเรียนธทำสอนธรรมอธิบายทมและการประพฤติธรรมนั้นเป็นเรื่องของคนครืคนเขายอมให้คนอื่นเอารัดเอาเปรียบฉกสวยเอาผลประโยชน์ไปได้ตามใจชอบไม่รู้จักเอาเปรียบใครซสบ้างเป็นต้นคนพานมองเห็นการประพฤติธรรมเป็นการยอมเสียประโยชน์แต่บัณฑิตย่อมมองเห็นตรงกันข้าม คนพาณ์เห็นว่าใครด่าต้องด่าตอบใครโกงก็ต้องโกงตอบแต่บัณฑิตเห็นว่าใครด่าต้องอดทนใครโกงก็ช่างเขาเราไม่โกงเราอยู่เป็นสุกนอทัศนะของคนพาณและบัณฑิตแตกต่างกันอยู่อย่างนี้พระศาสดา จ, จึงตรัสว่าท้องฟ้าและปฐพีฝั่งทั้งสองของมหาสมุทรนับว่าห่างไกลกันแต่ธรรมของสัตตปุรุษและอสัตตปุรุษยังห่างไกลกันมากกว่านั้น ด้วยประการชนนี้คนผ่านแม้อยู่ใกล้บัณฑิตก็ไม่สามารถรู้รสธรรมพระตถาคตตพุทธพจน์นี้ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารบพระอุทายีมีเรื่องย่อดังนี้พระอุทายีนี้มีชื่อมากในทางโลเลเลทะมีพระวินัยเป็นอันมากที่บัญญัติขึ้นเพราะอาศัยพระอุทายีเป็นต้นเหตุจนบางแห่งเรียกท่านว่าโป ล, ลุทายี แปลว่าอุทายีผู้เล้ะเทอวันหนึ่งเมื่อประชุมฟังธรรมกันในธรรมสภาการฟังธรรมแสดงธรรมสุดสิ้นลงแล้วพระาศาสดาและพระเถระผู้ใหญ่หลีไปแล้วพระอุทายีก็ไปสู่รงธรรมขึ้นนั่งบนธรรมาทวพวกรสุอาคาันตุ ก, กะผู้ไม่คุ้นเคยเข้าใจว่าพระผู้นี้น่าจะเป็นพระมหาเถระผู้ฟังหุสูตรจึงถามปัญหาเกี่ยวกับเรื่องขันธ า, ายาตนะเป็นต้น พระอุทายีตอบไม่ได้สักเรื่องเดียวภิกษุอาคันตุกะเหล่านั้นจึงติเตียนว่าพระเถระอะไรอยู่ในวิหารเดียวกันกับพระพุทธเจ้าแท้ๆยังไม่รู้ธรรมสักว่าขันธ์ธาตุและอายาตนะเป็นต้นดังนี้แล้วชวนกันไปเฝ้าพระศ า, าสดาทูลความนั้นให้ทรงทราบ พ, พระทุสพลจึงตัดว่าคนพาลอยู่ใกล้กับบัณฑิตแม้ตลอดชีวิตเป็นอาทิดังที่ พุทธภาสิตได้แสดงไว้แต่ต้นนั้นดังพรรณนามาแล้วนั่นแหล 6. หกคนฉลาดเหมือนลิงรู้รถแกงพระพุทธภาสิตโมหุดตรมติเจวินยูปันติตังปยิรุปปาสติคีปังธรรมวิชานาติสิวหาสุประระสังยถา ความว่าคนฉลาดเข้าใกล้บัณฑิตแม้เพียงคู่เดียวย่อมรู้ธรรมได้โดยพันเหมือนลิ้นรู้รสแกงอธิบายข้อนี้ตรงกันข้ามกับที่กล่าวแล้วในข้อ5คือคนฉลาดเมื่อเข้าใกล้บัณฑิตย่อมมองเห็นการกระทำของบัณฑิตเป็นสิ่งหน้าเอาอย่างน่าประพฤตา่างมีความนิยมเลื่อมใสในบัณฑิตชอบธรรมของบัณฑิตจึงสามารถรู้ธรรมของบัณฑิตได้โดยพันเหมือนลิ้นที่ดีไม่มีโรค ยอมรู้รสแกงได้ทันทีเมื่อสัมผัสเรื่องนี้พระาศาสดาตรัสเมื่อประทับอยู่ณเชตวันเมืองสาวัตถีทรงปรารบภิกษุชาวเมืองปาถามีเรื่องย่อดังนี้เมื่อพระาศาสดาตรัสรู้ใหม่ๆได้พบเด็กหนุ่มชาวปาถา30คนที่ไร่้ฝ่พวกเขากำลังตามหาหญิงที่หายไปพระพุทธองค์ทรงสแสดงธรรมให้ฟังจนทั้งหมดเรื่มใส่ขอบวช ทรงประทานเอหิภิกษุอุปสมปทาให้แล้วภิกษุเหล่านั้นสมทานตุดง13ข้อประพฤติอยู่อย่างเพ่งครัดเป็นเวลานานต่อมาได้เข้าเฝ้าพระศ า, าสดาอีกฟังอนะมักตักคัคคธรรมวัฒนศนาว่าด้วยสังสารวัติเป็นสิ่งที่ยาวนานยากที่จะกำหนดควรเบื่อหน่ายควรคลายกำหนัก ต่อมาวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายสนทนาการในธรรมสภาว่าน่าอัศจรรย์จริงหนอภิกษุเหล่านั้นรู้ธรรมได้เร็วเหลือเกินพระศาสดาทรงทราบแล้วตัดว่าสหายทั้ง30คนนั้นเคยฟังธรรมมาในชาติก่อนเคยสมทานศีลห้าเพราะอุปนิสัยนั้นจึงบรรลุพระอารสัตผลได้อย่างรวดเร็วดังนี้แล้วตัดพระคาถาว่าคนฉลาดเข้าใกล้บัณฑิตแม้เพียงครูเดียวเป็นอาทิมีนยยะ อังพรนนามาแล้วแต่ต้น7คนพาลทำตนเป็นศัตรูแก่ตนพระพุทธภาษิตจรันติพาลาทุมเมธาอมิเต เ, ตเนวอั ต, ตนาโกโรนโกรนโกรติปาประกังกัมมังยังโหติกักับพลัง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 มารดาบิดาญาติพี่น้องและทรัพย์ก็ไม่สามารถต้านทานได้เพราะฉะนั้นบัณฑิตจึงสอนให้กลัวความชั่วมากกว่าความตายความตายให้ความเจ็บปวดครั้งเดียวส่วนความชั่วให้ผลเป็นทุกข์เนื่นนานหลายร้อยหลายพันชาติความชั่วแม้เพียงเล็กน้อยก็เป็นของน่ากลัวเพื่งเห็นตัวอย่างเรื่องสุปปะพุทธะที่เห็นพระประเจ ก, กับพุทธเจ้าแล้วแสดงอาการดูหมินเป็นเหตุให้ตนเป็นโรคเรื้อนในภายหลัง ในธรรมบทท่านบอกว่าเรื่องสุ ป, ปพุทธโรคเรื้อนมามาแล้วในคำภีอุทานจึงตามไปดูในอุทานพระไตรปิฎกเล่ม25หน้า1 4 7ถึง149มีความว่าสุ ป, ปพุทธได้บรรลุโสดาปฏิผลเพราะฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วทูลสรรเสริมพระธรรมเทศนา ว่าแจ่มแจ้งเห็นชัดเหมือนหงายของที่ความเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางส่องประทีปในที่มืดให้คนมีจักษุได้เห็นรูปขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ตลอดชีวิตแล้วหลีกไปถูกโคตัวหนึ่งขิดสิ้นชีวิตภิกษุหลายรูปทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าคติสัมปรายะพบของสุปปุทะเป็นอย่างไรพระาศาสดาตรัสตอบว่าสุปปุทะเป็นโสดาบันมีคติอันแน่นอนว่า จะต้องรู้ธรรมในภายหน้ามีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาภิกษุรูปหนึ่งทูลถามว่าเพราะเหตุไรสุปปุทธจึงเกิดมาจนและเป็นโรคเรื้อนพระาศาสดาตัดเล่าว่าเมื่อก่อนนานมาแล้วสุปปุทธเกิดเป็นบุตรเศรษฐีที่เมืองราชพฤก์นี่เองวันหนึ่งเข้าไปอุทยานได้เห็นพระปเจกพุทเจ้จาชื่อ คารสิกขีเที่ยวบินทบาทอยู่ในเมืองเขาคิดว่าคนขี่เรือนนี้คือใครหนอแล้วถ่มน้ําลายทําพระประเจกพบุตรเจ้าไว้ข้างซ้ายของตนแล้วหลีกไปวงเล็บการหลีกทางขวาถือว่าเป็นการแสดงความเคารพคือเมื่อเดินสวนทางกับผู้ใหญ่ที่เคารพผู้น้อยต้องเดินไปทางซ้ายมือของท่านและท่านผู้ใหญ่อยู่ทางขวามือของตน ถ้าบอกสั้นๆแบบทหารก็ต้องบอกให้เหลีกซ้ายลองนึกภาพดูด้วยกรรมเพียงเท่านี้สุปพุทธต้องตกนรกหลายพันปีด้วยเศษแห่งกรรมนั้นเขาจึงมาเกิดเป็นคนจนในเมืองราชสครึและเป็นโลกเรือนแต่บัดนี้สุปพุทธได้อาศัยธรรมวินัยนี้แล้วสมทานเศียมีศรัทธามีจาะมีปัญญาเป็นโสดาบัน เกิดในเทวโลกชั้นดาวดึงแล้วพระศาสดาทรงเป่งพระอุทานในเวลานั้นว่าเมื่อความพยายามยังมีอยู่ปัณดิบพึงเว้นจากบาปเหมือนคนมีตาดีเว้นทางอันเป็นลมเลนเสียฉะนั้นเรื่องในพระตไตรปิฎกเล่ม25หน้าหนึ่งมีเพียงเท่านี้ต่อไปนี้เป็นเรื่องในอัอตตกถาธรรมบทสุ ป, ปัพุทธะโรกเรือนเมื่อ บรรุโสดาปฏิผลแล้วต้องการกราบทูลคุณที่ตนได้บรรลุแด่พระผู้มีพระภาคแต่ไม่อาจเข้าไปทํำกลางบริสันได้เมื่อประชาชนพากันกลับหมดแล้วจึงเข้าเฝ้าพระศ า, าสดาณนะที่ประทับของพระองค์ขณะนั้นเท้าสกะเทวราชรู้ความที่สุปปุทธะต้องการกราบทูลพระศ า, าสดาถึงคุณที่ตนได้บรรลุแล้วจึงประทับยืนบนอากาศตัดกับสุปปุษธะว่า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 เรามีอริยทรัพย์ครบทั้งเจ็ดประการคือศรัท ธ, ธาสศีลรสุตตะจาคะอิริโอตตะและปัญญาใครมีคุณธรรมทั้งเจ็ดประการนี้ผู้นั้นไม่ชื่อว่าเป็นคนจนท้าวสกตะฟังดังนั้นแล้วรีบไปเฝ้าพระาศาสดากราบทูลเรื่องทั้งพวงให้ทรงทราบ พ, พระาศาสดาตรัสว่าท้าวสกะ ร, ร้อยองค์หรือพันองค์ไม่อาจทาความเลื่อมใสของสุปปพุทธะให้คลอนแคลนได้ การที่แม่โครลรคอ่อนขิดสุปพุทธะถึงตายนั้นท่านกล่าวว่าความจริงแม่โคนั้นเป็นนางยักษีแปลงมาเพราะเวรที่เคยทําต่อกันไว้ไม่เพียงแต่สุปพุทธะคนเดียวเท่านั้นคุณระบุตชื่อปุ ก, กุสาติก็ตามทาฤกจิริยะก็ตามนายโจรขาวแดงก็ตามที่ถูกแม่โคผิดตายนั้นล้วนแต่เคยทำกรรมร่วมกันมาทั้งสิน้น ท่านกล่าวว่าในอดีตการคนทั้งสีนั้นเป็นบุตรเศรษฐีสี่คนพาหญิงโสเภณีไปเที่ยวอุทยานหาความสุขสำราญจากหญิงนั้นตลอดวันแล้วตกเวลาเย็นปรึกษากันว่าควรจะฆ่าหญิงโสเภณีนั้นเสียแย่งเอาทรัพย์ 1,000 พกหาปณะและเครื่องประดับหญิงแพทย์สยาได้ฟังดังนั้นคิดว่าคนพวกนี้ไม่มียางอายอภิรมกับเราแล้วยังจะฆ่าเราเอาทรัพย์อีกเมื่อถูกฆ่าอยู่ นานผูกอาคาดว่าชาติต่อไปขอเราจงเป็นยักษ์ศรีสามารถฆ่าต่อคนเหล่านี้ได้ดังนั้นนานจึงเกิดเป็นยักษิศีประหารคนทั้งสีให้ตายมาหลายร้อยชาติพระาศาสดาทรงสแสดงธรรมเป็นอนเนกปริยายเพราะปรารบเรื่องสุปปุษฏะโรคเรือนนี้ในที่สุดได้ตัดสรุปพระธรรมเสสเทศสนาด้วยพระคาถาว่าคนผ่านมีปัญญาสามประพฤตตนเป็นดังศัตรูของตน คือเที่ยวทำกรรมอันลามกอันมีผลเผ็ดร้อนมีนัยยะดังปรณนามาแล้วแต่ต้นนั่นแล